ความโศกความร่ำไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจเป็นทุกข์นท่านก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความทุกข์ความทุกข์มีอยู่เพราะอะไรมีอยู่เพราะชาติมีอยู่ใครเคยอ่านปฏิจจสมุ ป, ปบาทท่านบอกอะไรมีอยู่เนะชาติถึงมีอยู่ชาติคืออะไรชาติคือการที่จิตเนี่ยมันไปหยิบฉวยเอารูปเอานามมาเป็นตัวเราของเรา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 ถ้าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราในเบื้องต้นจะเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเรานะจิตยอมรับความจริงตรงนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันไดภาวนาต่อไปนะเห็นความจริงในกายนี้ทุกขล้วนๆ น, นะจิตปล่อยวางไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสปวดพทพะหรือสิ่งที่มาสัมผัสกายความยินดียินร้ยนายไม่เกิดขึ้นนะครับกามและปฏิฆาไม่มีนั่นะก็เป็นภูมิธรรมของพระอนาคานะ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 เป็นกลางมีหลายแบบอันหนึ่งเป็นกลางด้วยการบังคับไว้เพ่งเอาไว้นี่เป็นกลางด้วยสมถะอันหนึ่งเป็นกลางด้วยวิปัสนาเป็นกลางด้วยวิปัสนานี่เห็นทุกอย่างเกิดระดับรู้ทันความไม่เป็นกลางน่ใจค่อยเป็นกลางขึ้ยนี่พัฒนามาเรื่อยๆนะจนถึงวิปัสนาญาณตัวสุดท้ายเลยที่เป็นฝ่ายโลกียะอยู่ก็คือสังขารู้เบกขาจิตมันเป็นกลางกับสังขาร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 จิตของเราทั่วๆไปนี่เรียกว่าจิตที่โคจร อ, อยู่ในกามาวจจรภูมนะิเรียกว่ากามาวาจรจิตอย่างร่อนเร่ไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะเวลาที่เกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะรวมเข้ามาที่ใจอันเดียวนะไม่ได้ร่อนเร่ไปทางทวารทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจะรวมลงที่ใจอันเดียวนะแลเราก็มาตัดสินกันที่ใจนี่เองกนะ็จะเห็นสภาวะธรรมเกิดดับเกิดดับไปสองสามขณะนะตัดนะจากนั้นจิตรู้ด้วยความเป็นกลางอย่างแท้จริง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 คนที่ดูทันส่วนมากจะเป็นคนที่ทรงชันจนชานิชนานาญมาก่อนจะดูได้ทนันปะัจภาวะมันเกิดขึ้นในองค์ชานเพราะฉะนั้นถ้าดูไม่ทนันระทํำยังไงดีอย่าไปเชื่อนะว่าบรรลุแล้วอย่าเชื่อง่ายถ้าเราเชื่อง่ายว่าตอนนี้เราได้โสดาแล้วเพราะาเราแค่เห็นความเป็นตัวเราโผล่ขึ้นมาหนึ่งครั้งพอรู้แล้วก็หายไปแล้วก็คิดว่าบรรลุแล้วเนี่เข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยเนะี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 ไล่ไปไม่ที่ไม่มีที่สิ้นสุดเลยท่านก็พราบว่านั่นไม่น่าจะใช่นี่ฉลาดจริงๆเลยตรง น, นี้ไม่น่าจะใช่เสร็จแล้วท่านรู้แล้วนะไปเพ่งสิ่งที่ถูกรู้ก็ไม่ใช่เพ่งผู้รู้ก็ไม่ใช่เลยบอกท่านอย่าเพ่งผู้รู้นะถ้าเพ่งผู้รู้แล้วติดสมถะแก้ยากที่สุดเลยแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกถ้าเพ่งจิตนี่นะแก้ยากกว่าเพ่งอารมณ์อีกท่านบอกท่านก็จะทำแบบที่สามเวลาสภาวะลอยมาต่อหน้านะท่านหยิบมาไว้ดูหน่อยหนึ่ง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 คิดไปคิดไปนะใจมันสลดขึ้นมารู้ว่าใจสลดนี่กลับมาดูจิตได้ละเห็นไหมง่ายๆนะไม่ยากอะไรหรอกลองไปหาอ่านเอานะอนุสติสิมนี่ยง่ายหลวงพ่อไม่ได้สอนกรรมฐานที่ละเอียดกว่านั้นเพราะว่าถ้าทําไปถึงฌานถึงอะไรพวกนี้นะต้องควรจะอยู่กับครูบาอาจารย์ละเอียดเกินไปเดี๋ยวเพี้ยน ง, ง่ายๆนะงั้นเอาแค่ละลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ละลึกถึงทานละลึกถึงศีลละลึกถึงความตายละลึกถึงร่างกายตัวเองอย่างนี้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 หลวงพ่อไม่ได้ออกจากวัดเลยหลวงพ่ออยู่สอนอะไรหนูเห็นไหมใจหนูฟังธรรมะแล้วมันถ่ายทอดขึ้นมานะงั้นเราภาวนานะวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรยัยเราจะได้เป็นชาวพุทธที่แท้จริงนะอะวันนี้เท่านี้พอเหลือกี่คนมีกี่คนวันนี้ยี <20. S 1> ่ส <c oughs> ิบชะลอเบอร์หนึ่งอยู่ไหนครับเบอร์นหนึ่งเมื่อก่อนนะเห็นครูบาอาจารย์เทศท่านแม่ตรวจกันบ้านนะ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 หนูนอนแบบรู้สึกเหมือนตัวเองนอนไม่หลับคะ่ะพอเหมือนมันตื่นอยู่ตลอดเวลาแล้วพอตื่นมาหนูก็เหมือนรู้สึกไม่ได้นอนคะ่ะก็จะง่วงๆทั้งวันแต่แล้วทีนี้หนูก็เลยเลิกสวดมนต์ค่ะเรอะความจริงไม่ละก ล, ลัวง่วงหนระือกลัวไม่ค่ะแบบเหมือนตอนนอนแล้วความรู้สึกคือมันแบบมันไม่หลับอะคะ่ะหลวงพอ่อหนูจริงๆร่างกายมันหลับนะมันมีสองส่วนอันนึงร่างกายหลับอันนึงจิตหลับ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 สักระยนนะหนึ่งค่ะมันจะหายไปเลยอค่ะอืแล้วก็ตามไม่ทันนะคะแล้วก็เลยมีความสงสัยนะคะ่ะว่าตอนเรานอนไปแล้ว่ค่ะอืจิตเราไปไหนอะค่ะจิตลงผวังนะจะเข้าสมาธิเข้าฌานหรือไม่เข้าฌานอตอนที่นอนหลับเนี่ยจิตมันก็ลงผวังไปนะจิตมันไม่ขึ้นมารับรู้อารมณ์ใหม่จิตไปรู้อารมณ์เก่าๆค่ะแล้วก็เคยเคยเที่เคยรู้ว่าค่ะว่าจิต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 รู้สึกอยู่ที่กายที่ใจนะบระคเวลานอนหลับนะั้นจิตก็ลงผวังไปแล้วปรเดี๋ยวก็เคลื่อนในผวังนะที่เคลื่อนขึ้นมาก็ขึ้นวิถีนิดหน่อยนะเช่นฝันอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ทันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นจิตก็ตกภวังใหม่ก็มีนะจิตฝ่าเคลื่อนขึ้นมาฝันไปแล้วเกิดกิเลสขึ้นก็ได้เกิดกูศุขึ้นก็ได้นะหลวงพ่อจะไม่ไปปฏิบัติทำหลวงพ่อช่วยแนะนำหน่ยครับ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 เป็นพบของนักปฏิบัติเป็นพบของคนรักดีใจก็แน่นๆรู้สึกไหมก็ทุกแบบคนดีเห็นไถ้าทำชั่วนะก็แน่นแแบบคนชั่วนะแล้วก็คอยรู้ทันจิตไปสร้างพบอะไรขึ้นมาก็คอยรู้ทันเอาแล้วไงอีกก็ทุดท้ายก็คือตอนไปฟังธรรมหลวงพ่อที่สุโขทัยอะครับแล้วจิตมันไปห่วงชาวพูดธว่าเวลาเราไปวัดที่เขามีการสร้าง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 ครับหน้าต่อไปเห็นไหมขาดสติตอนยื่นไม่ลืม อ, ออกไหมเผลอเออรู้ว่าเผลอไม่แค่นี้เองนะไม่ใช่ห้ามเผลอยื่นไม่ก็อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้นะกลับ น, นกกรัชญาหลวงพ่อค่ะให้หลวงพ่อช่วยดูวิธีทำใช้ได้อยู่แล้วไปทําต่อไปใจมันตื่นขึ้นมาแล้วคอยรู้สึกเอามันรู้กายบ้างรู้ใจบ้างนะ ถึง เ, เวลาก็ทําในรูปแบบทําความสงบเดินจงกรมทําสมาธิอะไรก็ทําไปที่ฝึอกอยู่ก็ใช้ได้แ ล, แล้วอีกเรื่องหนึ่งคือหนูรู้สึกว่าเสือคนรอบข้างํ<ล>า<ำ>พานคนรอบข้างะอะไรเงี้ยชอบอยู่คนเดียวรู้สึกลำพานคนรอบข้างนะะไปทําอะไรคนรอบข้างไม่ใช่หมายว่าก็ท่านแบบกันหมู่มากๆเงี้ยหนูรู้สึกไม่ไม่ค่อยชอบอ่ะให้รู้ทันใจที่ไม่ชอบนะนักปฏิบัติที่แท้จริงเนี่ยไม่มีความเป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเลย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 แล้วก็นั่งสมาธิมากสวดมนต์มากแต่ไม่ทุกวันนะครับรู้สึกว่าตัวเองมีงความขี้เกียจมากขึ้นพกอยู่ในกิเลสมากขึ้นต <Hey, S 1> ามต่างๆพ่อไม่ได้สอนให้ขี้เกียจนะไม่ได้สอนให้ครูเกิดกิเลสนะความรู้สึกอครับคสอนสให้ไ <ผม S 2> อยรู้ทันมันครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่าเบาๆโล่งๆนะครับตรงเบาๆโล่งๆเนี่ยไม่ประคองรักษานะครับผมเแล้วคอยรู้กายคอยรู้ใจดูมันทํางานไปเรื่อยไม่ขี้เกียจ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 พวกเราชอบบังคับจิตเช่นนใครบังคับไม่ให้หนีไปเลย น, นี่พวกที่หนึ่งพวกที่สองนะทําใจให้เคลิ้มละท้ละทวยไปเรื่อยพวกนี้ไม่ได้เรื่องทั้งคู่เลย <c oughs> นะเพมาะฉะั้นทําสมถานะมีอารมณ์อันหนึ่งมาให้จิตระลึกระลึกไปอย่างมีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้สบายๆจิตมีความสุขจิตสงบของมันเอง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 รู้ลมก็เห็นร่างกายหายใจไปอย่างสบายๆไม่ใช่เริ่มต้นก็ทําใจให้ซึมก่อนเพราะว่าค่อยไปดูลมอย่างนี้ก็ซึมตายเลยนะจับมาสการหลวงพ่อคือผมก็เคยแต่ฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือของหลวงพ่อนะแล้วก็บางทีก็มีปัญหาคิดเองอะไรเองก็คืออยากจะถามหลวงพ่อเยอะแต่พอมาเจอหลวงพ่อแล้วก็คิดปัญหานั้นไม่ออกเลยว่าจะถามอะไรอครับเลยอยากให้หลวงพ่อ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 เพ้ถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ประคองอยู่ก็ใช้ได้แล้วเนี่ยเริ่มประคองอีกแล้วเมื่อกี้หลุดออกมาตอนนี้กลับไปประคองใหม่ละนะไม่ประคอง น, นะปล่อยมันตามตามรู้ไปเรื่อยๆทำรู้เล่นๆนะแล้วใจเวลาหนีพิคิดสังเกตไหมของคุณเวลาใจหนีพิคิดเนี่ยจะคิดอย่างจริงจังมากเลยครับให้รู้ทันเลยใจหลงไปคิดแล้วนะก็าาาบางทีก็ที่ปฏิบัติมาจากฟังซีดีแล้วก็อ่านหนังสือมานะก็คือพอบางครั้งนี่ก็เหมือนว่าพอเริ่ม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 ถ้าดื้อกับเพ่งเนี่ยนะรวมกันอยู่ในคนเดียวกันเนี่ยชาตินี้คงยากเลยนะถ้าไม่ดื้อเนี่ยยังแก้ง่ายแต่แต่บางทีก็บางทีก็มีความรู้สึกที่จะดื้อต่อต้านเหมือนกันได้แหละรู้ทันมันไปโดยนิสัยมันชอบดื้อครับเรารู้แันว่าบางทีรู้แต่พอรู้ก็บางทีพอมันนึกอีกทีว่ามันไม่ใช่ก็ก็ปล่อยปล่อยวางไปคือถ้าไม่ดื้อเนี่ยเรียนกับหลวงพ่อเดือนเดียวนะจิตก็เปลี่ยนแล้วคุณรู้สึกไหมจิตคุณเปลี่ยนครับก็คือปก่อนมานี่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 ก็ปฏิบัติมาก็ระยะระยะหนึ่งแล้วก็ด้วยการฟังซีดีลุงพ่อบ้างแล้วในชีวิตประจําวันกเออ็เดินจงกรมนั่งสมาธิอ่อนนอนแล้ว <Ừ. S 1> เช้าก็มีสวมดมนต์มาแล้วก็สังเกตเปลี่ยนแปลงไหมก็เห็นครับก็สังเกตดูออตามรู้ตามดูอารมณ์แล้วก็จิตตลอดเวลาอยู่ใน อ, อ, อยู่ในชีวิตประจําวันสังเกตไม่ใจเราแยกออกมาเมื่อหมือนใจเราแยกออกมาดูออกไหมเห็นบ้างครับนะ แยกออกมาเราก็ไม่ประครองนะไหลกลับไปรวมเราก็ไม่ว่า ค, ค่อยรู้เฉยๆมันจะถอนตัวขึ้นมาเองในสุดจิตกับขันเนี่ยพลากออกจากกันไม่เกี่ยวกันแลอยากถามหลวงพ่อว่าที่ปิบัติอยู่ตอนนี้นี่ใช้ได้แล้ว uh ไปฝกอีกนะขยันดูไปด้อของ ค, <ran>. คุณจะดูจิตน้หมอแล้วมาต่อไปครับนมัสการหลวงพ่อเจ้ากาอคือตอนนี้เวลาปฏิบัติเวลา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 ก็เวลาทํางานบ้านก็จะเปิดซีดีของหลวงพ่อฟังไปด้วยแล้วคอยดูนะเห็นร่างกายทํางานเห็นจิตทํางานก็จากเดิมซึ่งไม่เคยรู้เรื่องเลยอนะคะพอฟังซีดีของหลวงพ่อก็จะรู้สึกว่าเออมันมันรู้สึกแบบนี้นนะรู้สึกไม่จะไม่เหงาหรอกใช่ใอยู่บ้านก็ดี้งไม่เหงาเลยใช่ค่ะทํางานบ้านได้เพลินมากเลยค่ะบ้านเราเสร็จแล้วกวาดคนอื่นบ้านคนอื่นก็ได้กวาดหน้าบ้านนะเคลื่อนไหวไปค่ะท่นี้บางทีเวลาหนูนั่งสมาธิ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 เพื่อที่จะไม่มีชาติต่ อ, ตอไปแล้ว oh. แล้วก็ <Yeah. S 2> รู้สึกว่าชีวิตที่เหลื อ, อนับต่อจากเนี้ยเราภารกิจหลักเราคืออะไรอื hmm. ก็คือทางธรรมแล้วก็ภารกิจรองที่เราต้องทําก็คือทางโลกอื hmm. แล้วก็ค่อยๆตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อยๆอื hmm. กายรู้บ้างไม่รู้บ้างอะคะ่ะอ hmm. แต่จิตเนี่ยเวลาเราเกิดโทสะเวลาเราทํางานหรือเจอกระทบกระทั่งกับที่ทํางานเราก็จะรู้สึกว่า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 บางครั้งเนี่ยเรารู้สึกพอเราอยู่กับลูกกับสามีหรือกับแม่ค่ะบางครั้งเรารู้สึกติดมันคิดขึ้นมาปุ๊บว่าไอ้ลูกเราสามีเราหรือแม่เราเหมือนเป็นวัตถุธาตุก้อนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเราคิดไปเองหรือว่าติดหรือมัรู้สึกเหรอรู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมาค่ะทั้งที่เราเนี่ยอกอดลูกเล่นกับลูกอยู่แต่เราก็รู้สึกว่าลูกเราคือ ก้อนธาตุก้อนหนึ่งออคื อ, อนึกถึงคําที่อาจารย์พูดเราก็ <นะ S 2> แยกนะสองส่วนความจริงสองส่วนคือสัจจะสองส่วนปรมัตสสัจจะมันก็เป็นก้อนธาตุอันหนึ่งโดยสมมติสัจจะเป็นลูกของเราอันหนึ่ง<ฆ>เป็นลูกเราเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่นะปฏิบัติต่อปรามัตสอย่างถูกต้องปฏิบัติต่อสมมุติอย่างถูกต้องไม่ใช่ว่าเออไม่ใช่ลูกเราแล้วเอาไปปล่อยทิ้งที่ไหนก็ได้ะก็เลยมีคําถามหลวงพ่อสองเรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือ ที่ปฏิบัติอยู่อ่ะค่ะเป็นอย่างไรบ้างอย่าให้เคร่งเครียด น, นะค่ะถ้ามีเกิดความเคร่งเคียดขึ้นมาแสดงว่าทําผิดจริงจังเกินไปน่ะนิ<ล>สัยเป็นคนจริงจังนะจริงจังเกินไปเฉะนั้นปฏิบัติให้สบายๆเอาข้อสค่ะแล้วก็ขอการบ้านหลวงพ่อค่ะก็คอยรู้สึกเอานะรู้สึกกายรู้สึกใจแต่อย่าอย่าจริงจังเกินไปอย่าจ้องอย่าถลําไปเพ่งน ะ, ะยังบังคับตัวเองแรงเกินไปค่ะขอบพระคุณค่ะ เอ้าต่อไปนรงค์มีวัฒนาอะไรบ้างของพ่อนี่ครับเอ่ออยากจะขอคําแนะนําเพิ่มเติมครับของพ่อจิตไม่ตั้งมั่นดูออกไหมจิตออกนอกจิตกระจายออกไปดูออกไหมจิตไม่ถึงฐานอืจิตมันไม่ทวนเข้ามาหาตัวเองดูออกไหมต้องต้องกลับมาใช่ไหมฮะฮะรู้ไหมใช้วิหารธรรมถ้ารู้นะถ้ารู้ว่ามันไม่ตั้งมั่น่มันจะทวนกระแสเข้ามาเองครับอย่าดึงนะถ้าดึงก็ผิดอย่างเงครับตัญหาของนรง์ตอนนี้คือจิตไม่ตั้งมั่นแล้วะครับ เหมือนที่หลวงพ่อเคยเป็นนะที่อาจารย์มหาบัวบอกที่ว่าดูจิตนั้นดูไม่ถึงจิตแล้วล่ะครับไปอยู่นอกๆ น, นะแล้วการปฏิบัติที่ผ่านๆมาที่ที่ยังไม่ใช่สภาวะเนี่ยะที่<ช>เป็นเรื่องของการเข้าใจว่าเออสติเนี่ยพอฝึกไปเรื่อยสมาธิก็มาอืครับปัญญาก็จะเกิดไม่ไม่ใช่การพิจารณาไตรลักษณ์แล้วแต่เป็นเรื่องของการความเข้าใจแตออ่ควเข้าใจนะแล้วก็จเจริญสติไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นปัญญามก็มีขึ้นมานะ ถ้าจิตไม่ตั้งมั่นปัญญาไม่เกิดตอนเนี้ยจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันกระจายออกไปไม่ถึงฐานนะอ่ะต่อไปหมดแล้วครับเอาหมดแล้วเหรออ่ะสอบตรวจการบ้านเนี่ยนะเป็นเวลาที่เหนื่อยที่สุดเลยก็สุดท้ายนี้ขอเป็นตัวแทนทุกท่านในศาลาลวงชินแห่งนี้นะครับร่วมกันถวายทานแด่พระอาจารย์นะครับ ข้าพเจ้าทั้งหลายข อ, อน้อมถวายเครื่องปัจจัยฐทายธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ประโมทปาโมทโชขอพระอาจารย์ได้โปรดรับเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาลลนานเทิร์นยะถ า, าว่าริวหาปูราปริปูเรนตีสาครังเอวเมวะอโตดินังเปตานางอุปการปติอิชิตตังปฏิตตังทุมหังขิปะเมวะสมิฉต สัพเพปูเรนตูสังกปาจันโดปนารโสยถ า, ามนิชโชติระโสยาทาสัพีติโยวิวัตชันตูสภะโรโพวินัสตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีตีคายุโกภวะอาภิวาธนาศีลิสนิจจังวุฒาปจจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขขังพระลัง ภาวนานะอย่าทิ้งเวลาเปล่าๆแปบ๊บหนึ่งก็จะสิ้นปีอีกแล้วเนี่จะครึ่งปีแล้วเนะีภาวนาไป